21. อโยนิสโสมนัสิการวงเล็บเปิด 18. พฤศจิกายน2549น้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบเจวงเล็บปิดผู้ปฏิบัติต้องช่วยตัวเองให้มากๆสังเกตสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญามีสติก็คืออย่าลืมตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจเอาไว้เรื่อยๆมีปัญญาก็คอยตรวจสอบตัวเองเรื่อยเลยที่ทำอยู่นี้มันถูกหรือผิด อย่างเราภาวนาไปแล้วใจของเราหนักๆแน่ๆแนๆแข็งๆอะไรอย่างนี้ผิดแน่นอนหรือเราภาวนาแล้วเครียดเครียดขึ้นมานี่ผิดแน่นอนภาวนาแล้วต้องสบายต้องโปร่งโล่งๆต้องสบายนะหรือภาวนาไปแล้วแม้มันสบายมาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วต้องผิดแน่นอนอะไรมันจะเที่ยงขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมานสิการเราต้องมีสติมีปัญญาปัญญาเบื้องต้นของเรานี่แหละเรียกว่าโยนิโสมานสิการ มีความแยบคายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เดินนี่มันถูกหรือมันผิดหรือแยบคายเช่นเราภาวนาแล้วช่วงนี้สังเกตตัวเองว่ามันเนื่อยๆไปก็ต้องแยบคายนะทาให้มัน Active ในวงเล็บกระฉับกระเฉงขึ้นมาหน่อยหรือช่วงนี้ขยันดูทั้งวันทั้งคืนจนเพื่อนถามว่าไปกัดกับใครมาดูโสมนะภาวนาจนโสมอย่างนี้ก็ต้องรู้ว่าเร่งมากไปจิตใจไม่มีความสุขแห้งแล้ง นี่ต้องวัดตัวเองเรื่อยๆนะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจลืมได้แต่อย่าลืมนานมีปัญญาคือโยนิโสมนสิการคอยตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆว่าที่ทำอยู่นี่มันอยู่ในร่องในรอยไหมโยนิโสมนสิการจะเกิดได้ต้องฟังธรรมนะฟังหลวงพ่อพูดหรืออ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเอาไว้โยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบ แต่การคิดการพิจารณานั้นจะต้องสอดคล้องถูกต้องกับหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างถ้าเราภาวนาไปแล้วเราพยายามดูจิตให้ทันโมโหตัวเองที่ดูอย่างไรก็ไม่ทันสักทีถ้ามีโยนิโสมนาสิการแยกคายเคยได้ยินได้ฟังมาว่าการดูจิตนี่ต้องตามดูเราก็จะระลึกขึ้นได้ว่าพลาดไปทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วคือพยายามดูจิตให้เป็นปัจจุบันนิโยนิโสมนาสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยตามใจชอบนะ หลายคนเคยไปอ่านหนังสือสมัยก่อนมีเรื่องหนึ่งนะชื่อสิทธาระะแล้วตอนหลวงพ่อหนุ่มๆ น, นะมีเรื่องนกนางนวลด้วยพออ่านแล้วแหมใจมันฮึกเหิมจะหาธรรมะด้วยตนเองเหมือนสิทธาระะเหมือนนกนางนวล น, นกนางนวลตัวนี้ตกทะเลแงะเลยฉะนั้นต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะหาด้วยตัวเองเนี่ยหาได้เหมือนกันถ้าเราเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ ใช้เวลาอย่างต่ำที่สุดยี่สิบอสงไขยใช้เวลาต่ำที่สุดที่จะหาด้วยตนเองได้พระพุทธเจ้าเราภาวนาก่อนที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้านะทั้งหมดยี่สิบอสงไขยแสนมหากัยี่สิบอสงไขยนี่นะสิบหกอสงไขยทำไปลุ่มๆดอนๆสี่อสงไขยแสนมหากับสุดท้ายนี่เท่านั้นแหละที่ได้รับการพยากรณ์จากพระธีปังกร